สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเพิ่งจะเปิดเทอมมาได้สักสัปดาห์สองสัปดาห์มองเห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ขัดหูขัดตาไปภาษาคนอายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเกิดมาอ่านเจอ หนังสือชื่อแง่คิดชีวิตงามจากเรื่องเล่าของอาจา ร, รย์สมศรีสุกุมลละนันก็เลยคิดว่าเออมันก็ตรงใจกับสิ่งซึ่งเราเราบังเอิญได้เห็นได้อะไรมาด้วยเขาอนุญาตว่าข้อมูลนี้อาจจะปรับปรุงจากการอ่านของอาจา ร, รย์สมศรีสุกุมลละนันชื่อบทความนี้ว่าดังค่อยเร็วช้าอาจารย์ก็เล่าว่าหลายปีแล้ว อาจารย์สมศรีนี่ออกตัวก่อนนะครับว่าอาจารย์สมศรีท่านสิ้นไปแล้วนะครับท่านเขียนไว้นานแล้วว่าเมื่อตอนที่ทำงานกับหัวหน้างานบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยหัวหน้างานก็เล่าว่าเบื่อเจ้าหน้าที่พนักงานที่เอาแฟ้มหนังสือมาให้เซ็นถามบอกเบื่อแล้วไงต่อโกรธไปโกรธเจ้าหน้าที่พนักงานบอกโกรธทำไมคำตอบคือโกรธที่ พนักงานวางแ้มเสียงดังครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนกันหรือไงนี่หัวหน้างานบอกว่าครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนกันหรืออย่างไรคนเป็นครูฟังแล้วก็เออจริงเนาะเรื่องนี้คนเป็นครูก็ต้องเดือดร้อนสิเพราะว่าสังคมบอกครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนนี่คงจะเลี่ยงคำว่าประธานโทษนะครับคงจอเลี่ยงว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอนกันหรืออย่างไรแต่ก็อาจจะก้าวร้าวเกินไปสละมังก็เลยโยนความผิดไปให้อีกครูหรือตั้งข้อสังเกตบางประการขึ้นมาว่าครูบาอาจารย์ไม่สอนกันหรื อ, อยังไงด้วยส่วนตัวคิดว่าบางเรื่องนั้นเนี่ยสอนนะแต่ถอยหลังไปเมื่อ30ปีที่เริ่มสอนหนังสือกับวันเวลาผ่านไป30ปีต้องบวกบวกไปแล้วเนี่ยเนาะ บางเรื่องเคยสอนปัจจุบันนี้ขอภัยนะครับไม่สอนแล้วครับบอกเลยว่าไม่สอนแล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่บางทีเขาไม่เข้าใจเจตนาของผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเรา่ครูบาอาจารย์สอนเพื่อให้เธอใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างผู้ดีเขาจะทำจะอะไรก็ตามแต่จะพูดจะทำจะคิดต่างก็จะต้องมีความละเมียดละมั การที่หัวหน้างานบอกว่าโกรธที่พนักงานเอาแฟมมาวางแล้วก็เสียงดังจะนับว่าเป็นมารยาทที่ไม่งามมันก็ก็น่า จ, จะได้การทำเสียงดังของเราเร า, เราลองจินตนาการว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรเสียงดังเนี่ยมันมักจะสะท้อนเรื่องอารมณ์เช่นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ปกติ เราถึงได้ทำกระแทกกระทันไปอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไม่มีใครทักเราเราก็จะทำอย่างนั้นเรื่อยไปถ้าลองเอาคำถามไปถามพนักงานที่วางแฟมเสียงดังให้หัวหน้าเนี่ยก็ จ, จะได้คำตอบว่าเอา้าเสียงดังเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้สึกว่ามันจะดังเลยหัวหน้างานคิดไปเองหรือเปล่า ความดังความค่อยความเร็วความช้าความหนักความเบามนุษย์เราไม่เท่ากันที่พูดว่าไม่เท่ากันเหมือนกับคนหนึ่งบอกว่าเมื่อเช้าฉันตื่นมาแต่เช้าเลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยตื่นมาเนจะ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยเช้ามากเอา้าเจ็ดโมงครึ่งเชา้ขาขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่า บอกว่าเมื่อเช้าเผลอตื่นสายนาฬิกามันไม่ปลุกเลยตื่นมาตั้งตอนนั้นสักเกือบเกือบจะ6กโมงแล้วเกือบ6กโมงสายขั้นแต่ที่7จ็ดโมงครึ่งเช้าอันนี้เป็นเรื่องของจริตของแต่ละคนไม่เท่าการวางแฝมแล้วไม่รู้สึกว่าเสียงดังหัวหน้าคิดไปเองหรือเปล่ามันก็ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ เอามาวัดได้มาไม่ใช่ไม้ไมบรรทัดที่จะวัดอะไรกันได้ง่ายเหมือนฝรั่งเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะเดินยังไงก็ได้เพราะว่าบ้านเขาเป็นตึกนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือฝรั่งสวมรองเท้าทั้งวันนอกบ้านสวมรองเท้าไปทํางานรองเท้าคัดชูผ้าใบขณะที่อยู่ในบ้านสวมรองเท้าแตะเขาไม่ได้ถอดรองเท้านี่ถึงถอดก็ถอดรองเท้า ท่าใบแล้วก็มาสวมรองเท้าแตะแตที่พอมาอยู่บ้านคนไทยซึ่งต้องเรียกว่าเรือนเรือนไทยเวลาเดินเนี่ยเสียงมันก็ดังเพราะว่าพื้นเป็นไม้ยิ่งถ้าเป็นเรือนสองชั้นคนที่เดินชั้นสองซึ่งไม่ใช่ตึกนะครับเป็นบ้าน แต่ที่เป็นบ้านไม้เรือนไม้เนี่ยเสียงก็จะดังฝรั่งมาเดินเสียงดังคนไทยก็จะหาว่าเดินอะไรเสียงดังเดินรถหัวชาวบ้านเขาอันที่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมตอนที่สอนหนังสือให้กับนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยที่คณะของตัวเองนี่กำหนดเลยว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน นักศึกษาชาวจีนมางงกันใหญ่ว่าทำไมต้องถอดเราอยู่ที่จีนเราไม่เห็นต้องถอดก็ต้องอธิบายเขาบอกหนูต้องเข้าใจนะว่าหนึ่งหนูจะมาจากเมืองหนาวก็คือคุณหมิงหนาวออหรือเย็นตลอดทั้งปีขณะที่คนไทยร้อนร้อนเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างคนไทยแต่ก่อนไม่สวมรองเทา้านิแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไปไหนมาไหนก็เดิน เท้าเปื้อยเปล่าไปอย่างนั้นก็ถ้าสวมก็จะเป็นรองเท้าแบบแตะๆหน่อยแล้วกันแต่ก็ไม่ได้สวมอะไรพอจะขึ้นเรือนก็ล้างเท้ามีตุ่มเล็กๆใส่น้ําไว้ล้างเท้าอาจจะมีผ้าเช็ดเท้าล้างเท้าเช็ดเท้าก็เพราะว่าคนไทยเราจะนั่งจะนอนก็อยู่กับพื้นเรือนถ้าหากมันมีทรายมีฝุ่นอะไรมันก็จะไม่ค่อยจะสะอาดมากนัก นั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคนไทยเคยชินกับการถอดรองเท้าเพราะอากาศมันร้อนโดยเฉลี่ยอากาศมันร้อนเมื่ออากาศมันร้อนเราก็จำเป็นต้องถอดรองเท้าไม่ให้มันอบเมื่อเท้ามันอบมันจะไม่สบายนี่คนไทยก็เชื่อกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยติดติดกันมามาถึงในห้องเรียนเด็กก็บอกแต่ห้องมันไม่ร้อนนะมันมีแอร์มันก็ไม่ร้อนนะแล้วก็ถูกของเขานะ การที่ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศนั้นก็อาจจะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแ่ละแต่ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันก็พูดยากก็ถามกับเจ้าหน้าที่แม่บ้านบอกนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าไปได้ไหมป้าป้าก็จะบอกว่าเดี๋ยวทรายมันเข้าเดี๋ยวมีฝุ่นเดี๋ยวเครื่องคอมเดี๋ยวอะไรมันจะเสื่อมสภาพก่อนเวลาอา้าวไปเรื่องนั้นซะอีก ก็เลยบอกไม่ใช่อะไรที่เอาอนุญาตให้เด็กสวมรองเท้าเข้าห้องเนี่ยก็ดูเด็กเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มไหนที่เป็นคณะที่เด็กผู้ชายมากหน่อยเนี่ยหึ่แต่ได้สอนกันวันไ ป, ปลายสัปดาห์วันพฤหัสวันศุกร์แล้วลราก็ครูอาจารย์จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเธอไม่ต้องถอดรองเท้าได้ไหมเพราะว่ากลิ่น มันไม่โสภาเอาเสียเลยก็จะอนุญาตได้สวมรองเท้าเข้ามาในห้องนี่ขนาดว่าขนาดว่าไม่ได้ดูเรื่องว่าเดินให้มันดังให้มันหนักให้มันเบาอะไรแต่มันก็มีเรื่องกลิ่นเข้ามามาสำทับเข้าไปอีกทีหนึ่งคนไทยเราจึงมักจะบอกว่าเวลาจะเดินอะไรนะเนี่ยให้เดินเบา การเดินเบาก็เลยกลายเป็นช่องทางที่คนร้ายเขาใช้วิธีนี้คือย่องเบาเข้าไปขณะที่ฝรั่งเขาจะเดินเสียงดังเสียงอะไรก็ไม่ค่อยที่จะถือสาหาความกันเท่าไหร่อันนี้ว่ากันด้วยเรื่องความดังความค่อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าความดังความค่อยความเร็วความช้าความหนักความเบาในสังคมไทยนั้นเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับ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 ยังเดินมุนไปไม่หยุดใจข้างในก็เลยมุนตามในความสุขทุกเวียนวนวันเวลากับความสัมพันธ์ของคนมุนไปไม่หยุดเลยหนึ่งนาทีอาจจะพอ พอเคยคุ้นกันนล่นชมมองอาจทำให้คนชอบกันและหนึ่งวันอาจผูกพันจนรักกันแต่ทั้งหมดชีวิตมันจะพอไหมที่จะใช้เพื่อลืมไม่คิดถึงคนนึ่งคนทั้งหมดชีวิต ที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจได้ลบทล้างความผูกพันเพื่อลืมคนหนึ่งคนนาฬิกายังเดินมุนไปไม่เป็นใจข้างในกับเธอใช้ ไม่ตรงไม่เท่าเวลานาลิกากับการพ ล, ดพลัดลปรจากลามุนไปไม่กลับคืนหนึ่งนาทีอาจจะพอพอเคยคุ้นกันหนึ่งชงั่วโมงทำไ้คนชอบกันและหนึ่งวันอาจผูกพันจนรักกัน หมดชีวิตมันจะพอไหมที่จะใช้เพื่อลืมไม่คิดถึงคนหนึ่งคน ได้ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University เมื่อสักครู่คุยเรื่องความดังกับความค่อยมีเรื่องเล่าแบบขำๆกันเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมานั่นแหละนายก็คือเจ้านายเนี่ยเล่นไพ่เพลินบ่าวคือคนรับใช้มา ตะโกนว่าคุณนายบอกให้มาเรียกไปกินข้าวตะโกนเสียดังเลยนายก็เลยดุบอกทําไมต้องตะโกนมาบอกใกล้ๆไม่ต้องให้คนอื่นเนีเขาได้ยินเรื่องทํานองนี้ถัดมาอีกสองสามวันบ้านของนายก็เกิดไฟไหม้บ่าวคนรับใช้กับมัวแต่กระซิบกระซาบอยู่นั่นแล้วว่าไฟไหม้ไฟไหม้กว่านายจะฟังรู้เรื่องบ้านก็เลยไหม้ไปซะหมดอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า จริงๆแล้วความดังความค่อยมันก็มีที่อยู่ของมันมันมีการของมันคือกาละของมันที่จะเมื่อไหร่ควรจะดังเมื่อไหร่ควรจะค่อยเหมือนอย่างเรื่องของการตำตำน้ําพริกทั้งหลายเนี่ยบ้านไหนบ้านนั้นเนี่ยเขาจะไปหาลูกสะใภ้เนี่ยเขาจะคอยไปฟังการตําน้าพริกบ่เสียงมันดังมากน้อยแค่ไหนะไอ้นี่ก็คงต้งยึดเรื่องของความดังแหละนะ ขนาดที่เรื่องกินสังคมไทยการจัดสดน้ำแกงเออแกงจืดเนี่ยนะครับให้มันดังหกหากเนี่ยนะบ้านเราคงจะคงจะไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่หรือเราจะคิดว่าก็มันสิทธิ์ของฉันฉันจะกินอย่างไรมันก็เรื่องของฉันแล้วทำไมจะต้องไปเกรงใจคนอื่นในเมื่อ เรากินมันก็ได้แก่ปากเราท้องเราไม่ได้เกี่ยวแก่คนอื่นซึียมื่ไรเรื่องนี้ถ้าจะอยู่คนเดียวคงไม่ไ ม, ไม่มีใครว่าหรอกนะจะตีลังกากินหรือจะอะไรกินก็ไ ม, ไม่มีใครว่าแต่บังเอิญแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องอยู่ในที่สาธารณะอยู่กับชุมชนอยู่กับคนหมู่มากเราก็ต้องฝึกไอ้เรื่องอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าฝึกฝึกไม่ได้ขึ้นมาแล้วเราก็ถึงเวลาหนึ่งเราจะปรับตัวได้ช้า มาถึงเรื่องของความเร็วกับความช้าโบราณบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่อีกสำนวนหนึ่งบอกช้าช้าได้พระเล่มงามความจริงแล้วสำนวนช้าช้าได้พระเล่มงามนั้นเนี่ยของเดิมเขาบอกว่าช้าช้าได้พระสองเล่มงามดวนผีผามสามักพลิกแพรลง ให้ได้ถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูสำนวนแรกที่บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเด็กรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นตัวเล็กๆที่บ้านไม่ได้อยู่ริมน้ำลาคลองอะไรเงี้ยนะก็คงจะไม่เข้าใจว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นแปลว่าอะไรน้ำขึ้นเป็นอย่างไรแล้วทำไมต้องตักเวลาน้ำขึ้น เพราะว่าชีวิตประจำวันเห็นน้ำในสระเห็นน้ำไหลออกมาจากก๊อกก็เลยนึกไม่ออกว่าน้ำขึ้นน้ำลงนั้นเป็นอย่างไรคนที่มีบ้านพักอยู่แถวๆริมคลองแม่น้ำหรืออะไรก็ตามแต่ก็คงจะเข้าใจระบบน้ำขึ้นน้ำลงเวลาที่น้ำมันขึ้นเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องรีบ ที่จะตักน้ำขึ้นมาใส่ตุ่มใส่โอ่งกันเดี๋ยวดีมีคาถามอีกว่าตุ่มเป็นยังไงโอ่งเป็นยังไงมันก็ผาชนะใส่น้ำเหมือนกันนั่นแหละต่างกันแต่เพียงว่าโอ่งนั้นก้นสอบปากกว้างแต่ตุ่มปากแคบกว่าโอง่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท้องที่จะถนัดเรียกว่าอย่างไรการที่ตักน้ำแล้วมาเก็บเอาไว้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการ สอนใจด้วยซ้ำไปว่าชะตาชีวิตของเราเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่าหมายน้ำบ่อหน้าเวลามีน้ำมันขึ้นมาก็รีบตักย่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้เดี๋ยวฝนมันก็ตกใครเลยจะไปล่วงรู้อะไรเก่ยวกับฝนฟ้าจะพยากรว่าฝนจะตกช่วงก่อนนี่ก็พยากรว่าจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ข้าพเจ้าก็รอไป3มวันร้อนไป3วันกว่าฝนจะตกลงมาสองปล่อยนี่คือเรื่องที่โบราณบอกว่าน้ำขึ้นต้องรีบตักการจะทำอะไรให้มันเร็วให้มันช้าก็อยู่ที่บริบทอยู่ที่เหตุการ์ถ้าหากว่าข้ามถนนไฟมันกำลังเขียวเขียวแดงๆแดงเขียวเขียวอยู่เนี่ยนะพอมันไฟแดงนั่นแปลว่า เราจะเดินได้ละหรือบางที่ก็จะมีสั ญ, ญลักษณ์เป็นรูปคนกำลังเดินแล้วก็เป็นไฟเขียวจะมาหน่วยนาดกัน อ, อรชอนอ้อนแอนอยู่บนถนนก็ไม่ก็ไม่ค่อยที่จะถูกเท่าไหร่จะต้องรีบเดินเพราะว่าประเดี๋ยวไฟแดงนั้นจะกลายเป็นไฟเขียวอีกไฟเขียวฝั่งเราก็จะกลายเป็นไฟแดงจะมาเดินทอดน่องเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกสำนวนไทยมีสำนวนเกี่ยวกับการเดินอยู่คือสำนวน เดินเร็วราวกับควายหายเธอจะรีบเดินไปตามควายเธอเหรออันนี้เราก็จะพูดกันอย่างนี้อันนี้ จ, จะเป็นสำนวนประชดกรณีเห็นใครที่รีบเสียจนเกินเหตุคำถามคือก็ทําทไมจะต้องเปรียบว่าเดินราวกับควายหายสำนวนเนี่ยมันจะส่งกันเป็นทอดทอดมีความสัมพันธ์กันเช่นจับได้คาหนังขาเขา คำคาหนังคาเขานี่แหละก็คือวัววัวควา ย, วายนี่แหละคนโบนราณมันไม่ได้ฝังชิปเข้าไว้ที่ใบหูฝังเอาไว้ตรงไหนของสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเพื่อเมื่อวัวเมื่อควายถูกขโมยวัวควายมันก็ไม่รู้หรอกใครให้ไปไหนจูงมันไปมันก็ไปเมื่อถูกจูงไปมันก็ไปปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าขโมยก็จะ ฆ่าวัวฆ่าควายทำลายหลักฐานเสียแล้วก็ทลกหนังเออยอะไรเออยไอคนเจ้าของควายก็ต้องรีบเดินถึงได้เป็นสัมนวนรีบราวกับจะไปตามควายรีบราวกับควายหายก็เพราะอย่างนั้นไงแล้วพอไปถึงก็เลยจับได้คาหนังคาเขานี่แหละเป็นวัวของฉันเขาของวัวฉันนี่เป็นหนังของควายฉันสัมนวนมันจะมาด้วยกันคนที่เดินช้าทอดน่อง ทอดไม่ได้ไปแปลว่าเอาลงไปทำให้สุกด้วยน้ำมันทอดในที่นี้หมายถึงทำอะไรช้าๆตามสบายทอดถุยชุยชายทอดน่องประมาณอย่างนั้นการตักน้ำในลําคลองนั้นต้องรีบตักแต่ทำไมทำพร้าถึงบอกว่าช้าๆได้พราเล่มงามช้าๆได้พร้าสองเล่มงามด่วนผีผามสามักพริกแปลง พระาบางคนอาจจะไม่รู้จักอีกว่ามีดพระมันหน้าตาเป็นยังไงมีดพระก็แล้วแต่บางที่ก็ตรงตรงบางที่ตรงที่เป็นคมก็เป็นโค้งโค้เหมือนกับเคียวเป็นมีดขนาดใหญ่เคียวขนาดใหญ่ใช้งานได้หลายอย่างรูปรักก็มันก็เป็นไปตามลักษณะของการใช้งานการทำพระให้ได้สักเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างจะประณีตบรรจง ทำพระทรมีดอาศัยทั้งความเร็วและความช้าทําไมจะต้องเร็วก็เพราะว่าเวลาตีเหล็กต้องเอาเหล็กไปเผาไฟให้มันร้อนขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบตีเหมือนจํานวนว่าตีเหล็กจ้องตีตอนร้อนเพราะว่ามันจะได้เป็นรูปตามที่เราต้องการถ้าเผื่อว่าเหล็กมันเย็นลงแล้วมันตีมันก็ไม่ได้มันหมดโอกาสเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกระเทาะของ เหล็กที่มันจะทําให้หนากลายเป็นบางมันจะเป็นไปได้ยากพอได้รูปตามความประสงค์แล้วก็ค่อยมาตกแต่งด้ามมันเอยทําให้มันมีความคมความอะไรส่วนนี้คือต้องทาช้าๆการจะทําพระสักเล่มหนึ่งบางทีก็ต้องชา้าบางทีก็ต้องเร็วในบางขั้นตอนคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมสอนแล้วก็มันขัดกันอยู่ในทีน้ําขึ้นเรีบรียตักแต่ช้าช้าเดรพราเล่มงามตกลงจะให้ช้าหรือจะให้เร็วนี่เป็นตัวอย่างของสำนวนไทยแล้วก็ลากโยงเข้ามาเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบคนไทยด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยว่ามีอะไรให้เราคุยกันได้สําหรับสังคมยุคปัจจุบันนี้ครับ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 เข้าใจสายตาที่เธอมองมานั้นมีอะไรอยู่ภายในซ่อน จะถามว่าเธอรู้ตัวบางไหมว่ามีใจให้เธอแม่ไม่เคยเอ่ยสาคำแต่ลึกในใจรู้ไม่ต่างกันอยากจะขอหน่ ให้ฉันจับไว้ได้ไหมจะไม่ยอมให้อะไรแยกรุกลายห่าและจะทำทุกเธอให้ทุกลมหายใจได้มีเธอขอแค่เพียงมือเธอให้ฉันจับไว้ความ สวยเพียงไรเมื่อเรามีกันผ่านเวลาที่ซึ่งดูเงียบงันหัวใจอ่างว่างลองลอยมาพบกันได้ตามเต็มคิดลวาวัน รอยยิ้มกงเธอได้หยุดเวลาไวอยากจะขอมือเธอให้ฉันจักไว้ได้ไหมจะไม่ยอมให้อะไรยา ก, กลุกลาฉันจะทันทุกท่าน ให้ทุกลมหายใจได้มีกันขอแค่เพียงมือเราจับกันเอาไว้จากนี้ไม่กลัวอะไรมีเธอข้างกายชีวิตได้มีเธอเป็นของขวัญ Oh. สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative ีฟยูนิเวอร์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะพูดเรื่องกินทิ้งกินคว้างอาจารย์สมศรีสุกุมลละนันท่านก็เขียนไว้หลายปีละในตอนนั้นเนี่ยออตอนที่ท่านเขีย น, นยมีโฆษณาอยู่ โฆษณา1เป็นคล้ายๆกับเป็นโฆษณาจําหน่วยงานไม่ได้สะะรู้แต่ว่าเป็นเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับพลังงานหารสองประมาณอย่างนี้มีตัวละครเป็นเป็นแม่เป็นมาม้าประมาณอย่างนั้นแหละแล้วก็มีลูกก็ชื่ออเมงแกก็กินทิ้งกินขว้างแล้ว ป, ป, ปรากฏกินปรงกินปลาอะไรก็กินทิ้งกินขว้างทั้งที่ตัวเองก็มีฐานะมากอยู่แล้วแต่ ปรากฏว่าอมาม่าก็เลยก็เลยบอกว่าท่องเดี๋ยวนี้เลยท่องจําเลยนะที่เราท่องกันมานั้นว่าอย่างไรบ้างตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยบทประพันธ์ซึ่งเป็นกาบยานีที่โฆษณาในหลายปีแล้วนั้นท่องว่าปอปลานั้นหายากต้องลําบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ํามันใช้น้ําแข็งเปลืองน้ํามันแช่เย็นก็เสียไฟหุงต้มไซส์แก๊สทั้งนั้น พลังงานต้องหมดกันโอ้ลูกหลานจำจงดีนี่คือเรื่องราวที่โฆษณากันในสมัยก่อนมาถึงสมัยนี้จะหากว่าเราจะเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันอีกก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยหรือเชยแต่ประการใดการกินคนไทยมีสำนวนเกี่ยวกับการกินเยอะมากขณะที่คนจีนเองเห็นความสำคัญของกัน กินเช่นเดียวกันคนไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศได้ชื่อว่าอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์การจะกินอะไรมันก็เลยกลายเป็นอาการกินทิ้งกินคว้างคำว่ากินทิ้งกินคว้างเนี่ยกินอะไรทิ้งอะไรคว้างอะไรเราลองไปดูที่ที่คนจีนเขาเป็นก่อน คนจีนนี่สังเกตว่าในช่วงที่มีเทศกาลตรุษจีนเนี่ยหลายบ้านก็จะมีแกงจับไช่กินกันไปแกงจับไช่ไม่แน่ใจว่าจับหรือจับเนี่ยจะแปลว่าสิบหรือเปล่าแต่ไช่นั้นแปลว่าผักจะเป็นผักสิบอย่างหรือมันเป็นกิริยา น, นึงของการทำอาหารหรือเป็นเรื่องของคำศัพท์อะไรนี้ก็สุดจะที่บายรู้แต่เพียงว่า เอมีแกงจับชายเวลาที่เหลือลอของเหลือเหลือจากการไหว้เจ้าเช่นอมีเป็ดมีไก่ส่วนหัวส่วนปีกส่วนหางอะไรก็ไม่รู้ละ่ะก็มาผัดผัดกันไปใส่ผักนู่นนี่นะ่ก็ต้มกันไป กินซะหลายวันบ้านตัวเองก็ทําอย่างนี้กันมาตลอดเราเด็กๆอาจจะเบื่อว่ากินอีกแล้วเหรอใส่ไอ้แกงนี้ต้มจับ่ายอีกแล้วหรือเราไม่เคยนึกหรอกว่ากว่าจะได้อาหารมานั้นพ่อแม่จะต้องลําบากสักแค่ไหนกว่าจะทํางานหาเงินมาได้ขณะที่คนไทยภาคเหนือก็มีแกงโฮแกงโฮขม่าโฮไม่รู้จะแปลว่าโลาะได้ไหมแกงจับฉ่ายแกงโฮก็คล้ายๆกัน ถึงแม้นปัจจุบันนี้เราจะมีแกงถุงขายจับชายต้มจับชายกับแกงโฮขายแต่มันก็เป็นเรื่องของการจงใจที่จะทำมาหานั้นขึ้นมาคนโบราณเขาไม่ได้อย่างนี้เขาจะสอนว่าอย่า ก, กินทิ้งกินขว้างการกินทิ้งกินขว้างเนี่ยนะคนไทยเราถ้าให้ย้อนไปในในในในภาพของคนไทยสมัยก่อนเนี่ย จินตนาการว่าบ้านของเราซึ่งต้องเรียกว่าเรือนเนี่ยกินข้าวก็มักจะอยู่ที่นอกชาญนรอบเรือนเนี่ยเป็นพื้นดินมีต้นไม้จะรกบ้างไม่รกบ้างก็สุดแท้แต่การดูแลก็ทิ้งอะไรก็ไม่รู้จากปากมันก็ลงไปใต้ถุนเรือนใต้ถุนเรือนนั้นปูไม้เวลาปูมันก็จะมีช่องมีร่องเพราะว่าปูไม่ได้ สนิทกันเนื่องจากว่าอากาศในบ้านเราในฤดูฝนไม้ขยายตัวในฤดูร้อนไม้จะหดตัวประมาณอย่างนั้นเวลากินกินไปถ้าหากว่าบ้านยื่นเข้าไปในน้ำหรือปลูกอยู่ริมน้ำก็จะย่อนข้าวย่อนอะไรลงไปปลูกมันก็จะพบว่าปลาซึ่งอยู่ข้างใต้เรือนนั้นก็มาตอดกัน นี่แหละเป็นจำนวนที่มาของคำว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคือปลาน่มันอยู่เย็นตรงนี้มันมันมากินอาหารกินเศษอาหารเนี่ยมันก็จะถูกจับไปแล้วมันก็ตายส่วนปลาร้อนเนี่ยอยู่น้ำร้อนนอ ย, อยู่ตรงกลางๆลางลำคลองอะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยไปจับมันมันก็จะเป็นขึ้นมาจึงเป็นจำนวนกันขึ้นมามาถึงการที่กินแล้วเราก็โยนลงไป แต่นนี้ถ้าหากว่าเป็นพื้นแบบใต้ถุนที่ไม่ได้อยู่ริมน้ํากินอะไรก็ทิ้งเศษอาหารก้างปลากระดงกระดูกอะไรถ้ามันทิ้งลงไปได้ก็ทิ้งกันไปหรือโยนกันไปออกนอกชานไปก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเราหมาแมวอะไรมากินแต่นนี้ถ้าหากว่าบ้านผุหลากหมากดีมีกระตังหน่อยก็มีค่าธาตุบริวารก็จะทําอะไรก็จะทิ้งลงกระโถนก็จะมี ค่าทาบริวารเอากระโถนไปทิ้งทีนี้ถ้าเป็นอยู่คนเดียวอยู่หลายคนหรืออะไรการใช้กระโถนในการที่มาทิ้งเศษอาหารปัจจุบันจะยังมีอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเพราะว่าเราใช้วิธีอื่นละเราเอาเศษอาหารวางไว้ขอ บ, ขอบจานแล้วก็ค่อยไปทิ้งหรือถ้าจะมีกระโถนคนรุ่นใหม่นี้ก็ใช้ถุงพลาสติกที่จะสวมเข้าไปเอาไว้ ในในกระโถนหรือจะเป็นถังเล็กๆแล้วก็พอมันเริ่มเต็มแล้วก็รวบปากถุงเอาไปมัดแล้วก็ทิ้งไปมันก็ง่ายดีสําหรับถุงพลาสติกบ้านเรือนซึ่งอาศัยอยู่แล้วการทิ้งกินขว้างลงไปนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีผลดีเหมือนกันนะทิ้งขว้างเศษน้ําพริกเออยอะไรเออยหมาแม่มันก็ไม่กินเผ็ดมากนักมันก็ไม่กิน ปรากฏอยู่ไม่นานก็อาจจะมีต้นพลิกโผล่ขึ้นมาก็ได้เออเก็ากลายเป็นเรื่องราวของออสิ่งซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นภาพของสังคมไทยที่เรากินทิ้งกินขว้างนั้นมันสะท้อนความมีอันจะกินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้โดยเสรีโดยไม่นึกถึงคนอื่นจริงอยู่ละ เงินทองมันก็ของเราเราจะบอกว่าทำไมก็เงินของฉันย้อนกลับไปดูในโฆษณาที่บอกอเมงโดนอมาอมาให้ท่องปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปก็มีเงินแล้วแต่ต้องนึกถึงสังคมส่วนรวมด้วยอันนี้พูดกันเรื่องของจิตสำนึกต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะมี public sense ตามที่ฝรั่งก็สอนกันมา ทำอะไรก็ให้นึกถึงคนอื่นเขาบ้างคนยากคนจนที่เขาไม่มีจะกินมีอีกตั้งมากตั้งมายยังจำได้ดีว่าเมื่อคราวที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วบางวิชานะั้นต้องเดินไปเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ที่โรงอาหารก็จะมีคําขวัญเขียนแปะเอาไว้ที่ข้างฝาเลยว่า เ, เชิญชวนให้กินข้าวให้หมดกันด้วยถ้อยคาที่ดีมากว่า กินข้าวให้หมดคนอดยังมีคือตัวเองก็เลยเออก็เป็นไปได้นะว่าเรากินทิ้งคว้างจนถึงขนาดต้องให้ครูบาอาจารย์เข้ามาสั่งสอนเราด้วยเรื่องแค่นี้กินทุกครั้งที่บ้านนี่จะถูกสั่งสอนว่ากินก็ตักมาแต่เพียงพอดีกินแล้วอย่าเที่ยวเหลือทิ้งคว้างอะไรตัวตักมาเองต้องรับผิดชอบเพราะว่ารุ่นอกงอมาม่าเตี่ยเรานี่คือชาวนา กว่าจะปลูกข้าวได้ซักต้นซักรวงซักมเมล็ดขึ้นมานี่มันไม่ใช่ใช้วันเดียวมันใช้เวลามากต้องตากแดดตากฝนเข้าไปแล้วประเทศจีนก็ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยเพราะว่าอากาศด้วยเพราะอะไรด้วยนี่คือเรื่องที่ถูกอบรมสั่งสอนมาว่าจะทำอะไรให้นึกถึงคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราแต่เป็นเรื่องของส่วนรวม การที่เราจะใช้กระดาษแบบสิ้นเปลืองเขียนนิดเขียนหน่อยทิ้งปริ้นออกมาแล้วมันไม่ดีทิ้งขยุ่มขยำทิ้งทำไมในเมื่ออีกด้านหนึ่งมันยังขาวอยู่จึงมีโครงการที่เชิญชวนให้ใช้กระดาษเป็นรี u s สกันขึ้นมาการที่เราใช้กระดาษสิ้นเปลืองนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่เสียเงินแค่ค่ากระดาษเท่านั้นแต่หมายถึงทรัพยากรของชาติทรัพยากรของโลก กระดาษธรรมาจากไม้ไม้ก็คือต้นไม้ไม้แต่ละต้นกินเวลานานกว่ามันจะโตเอามาทําเป็นเล่นไปอย่างนี้ไม่ค่อยที่จะเหมาะเท่าไหร่อยู่บ้านจะเปิดเครื่องปรับอากาศห้องเราไม่ก็ตังของเราฉันจะเปิดให้เย็นแค่นั้นจะเปิดกี่ชั่วโมงมันก็เรื่องของฉันจะไม่ได้ขอใครนี่การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของการคิดที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัว กระแสไฟฟ้ามันมากมันใช้มากขึ้นมากขึ้นปริมาณในการผลิตมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นต้องเลิกนิสัยที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ใช่มีเงินมีทองอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้การประหยัดต้องเริ่มมาจากเราซึ่งเป็นคนหนึ่งคนเริ่มมาจากสังคมเล็ก ในบ้านในครอบครัวจากบ้านกระจายไปสู่ที่ทั้งหลายแล้วจึงเป็นภาพรวมของประเทศไทยให้ยึดหลัก เ, เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการดำเนินชีวิตก็จะดีมากหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดสำหรับการ กินทิ้งกินขว้างความเร็วความช้าความดังความค่อยที่พูดมาตลอดทั้งรายการนี้หมดเวลาสำหรับรายการเพลินภาษานานาสาระสาหรับวันนี้เสียแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุงมัน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 เธอบนทุกวันคิดว่าเธอคิดถึงจังแต่ละเพลงที่ฟังยังก็บแอ บ, บชอบใครบางคนคิดคิดให้ดีเท่าไรไม่เห็นจะเจอว่าใครไว้ท้ายอย่างฉันนี้นาะสงสัยขึ้นมาสสแต่ก็ไม่อยากคิดไปเอง I t h i n